ปริหานสูตรนะครับในข้อ257จ็ริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิสูจนผู้เสกขาขนาดพระเสกข้ายังเสื่อมเนยนะคือเป็นไปเพื่อเสื่อมนะหมายว่าไม่บรรลุ ก, กุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอีกนะ สประการเป็นไงนดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิกษุผู้เสียขาดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการงานควนควายในความเป็นผู้ทําการงานเป็นที่มายินดีมาคิดก่อสร้างไปเรื่อยนะครับลักษณะเนี่ยนะทำโน่นทนํานี่คิดแต่เรื่องก่อสร้างไปเรื่อยลักษณะเนี่ยเป็นไปเพื่อความเสื่อมสองก็เป็นผู้ชอบคุยยินดีในการคุยควนขวายในความเป็นผู้ชอบคุย น, นี่โดนผมเนี่เป็นผู้ชอบหลับนะครับยินดีในความหลับขวนขวายในความเป็นผู้ชอบหลับดูความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมสามประการนี่แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่พิสษุผู้เซขะดูความพิสูจนทั้งหลายธรรมสาประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พิสูุผู้เซขะสามประการเป็นไฉดูความพิสูจนทั้งหลายพิสูุผู้เสขะในธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในการงานไม่ขวนขวายในความเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่ชอบคุยไม่ยินดีในการคุยไม่ขวนขวายในความเป็นผู้ชอบคุยแล้วก็ไม่ชอบหลับไม่ยินดีในการชอบหลับไม่ขวนขวายในความเป็นผู้ชอบหลับนะคือไม่ชอบงานไม่ชอบคุยแล้วก็ไม่ชอบนอน ครับดูกรพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่พิสูจนผู้เสขะนะครับไม่ชอบงานนะนะไม่ชอบทําการงานไม่ชอบคุยแต่ก็ไม่ใช่ชอบหลับนะบางคนบอกงานก็ไม่เอาคุยก็ไม่เอานอนแอบไปหลับหนึงก็ไม่ใช่นะครับชอบเงียบๆแต่ก็ไม่ใช่หลับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการคุยชอบหลับและฟุ้งซ่านผู้เช่นนั้นไม่ควรบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับนะถ้าทำตัวแบบนี้นะไม่ควรบรรลุมรรคผลเหมือนงั้นนะสัมโพธิญาณ น, นี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับไม่ควรบรรลุมรรคอะไรสักอย่างหรอกหมือกันเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อยนะอภปกิจเจนกิจน้อยๆหน่อย น, นะเว้นจากความหลับ แต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านพิสูจผู้เช่นนั้นควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดนะครับนี่กป็ปริหานสูตรนะครับปริหานสูรปริหานเนี่ยแปลว่าเสื่อมรอบนะครับปริหานก็คือไม่เสื่อมนะครับถ้าหากว่าทำรรมาที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมก็ดูในมหาปริณีพานสูตรเนี่ยเยอะนะครับมีหลายนายมาก อธิกถานะครับบทว่าปริหานายะสังวัตติความว่าย่อมมีเพื่อความไม่เจริญคือมีเพื่ออันตรายแก่การบรรลุมัชแต่ขึ้นชื่อว่ามัชที่ได้บรรลุแล้วเสื่อมไม่มีนะครับคำว่าที่ว่า พ, พระเสขะเสื่อมเนี่ยนะครับคือเสื่อมต่อการไม่บรรลุชั้นสูงต่อไปอะนะก็จะอยู่แค่นั้นแหละเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจําแนกธรรมะที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยสา ม, มารถแห่งธรรมาที่ฐาน ธรรมะสามอย่างแล้วก็เทศนาที่เป็นปุคลาที่ทานบางโยมบางคนเนี่ยนะครับอ่านสูตรนี้เนื่องจากไม่ได้ดูอัตคถาก็ในเห็นไหมพระเสขายังเสื่อมเลยเนี่ยนะครับเขาก็คิกว่าค่าๆก็เสื่อมจากมรรคผละนะหมายว่าถ้าได้โซดาปฏิมรคเป็นต้นก็จะเสื่อมอีกนะมีโยมบางคนเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าพระเสขะไปชอบทำงานชอบคุยชอบรับเนี่ยนะ เสื่อมเลยนะอย่างนั้นคำว่าอ่านสูตรนี้ไปกไ็เนื่องจากไม่ได้อ่านอัตถกาธานั่นเองเพราะฉะนั้นว่าไอ้ที่เสื่อมนี่หมายความว่าไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงนี่ก็ชื่อว่าเสื่อมแล้วนะมันไม่ก้าวหน้านะครับพระนิจญาครับมันอ่าได้ยินว่ามีพระเสขาเบื้องต้นเนี่ยหลายคนนะที่ยังยินดีการเรียนไหว้ยอยู่อย่างเช่นนางวิสาขาะอะไรงนี้ จริงรืเปล่าได้ย็นมาก็เรียกว่ายินดีในวาตะอยู่นะครับแต่หมายคือว่าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านจึงยินดีนะครับแต่เมื่อยินดีแล้วก็คือไม่เน้นเรื่องวิปัสสนามากนักนะครับคือหลังจากบรรลุแล้วก็ไม่เน้นวิปัสสนาแต่เน้นทานกับศีลนะครับเน้นจะให้ทานเน้นเรื่องศีลและกุศลเน้นอุโบสถกุศลเน้นคือกุศลทั่วไปนะครับแต่ฟังทำก็ไม่ใช่ไม่ฟังฟังนะครับบุญก็ทําอะไรก็ทําหมดนะครับ แต่ว่าก็ยังไม่ได้สํานวนว่าไม่ได้รีบบรรลุมรรคผ ล, ลนะแต่เนื่องจากอุปนิสัยนะครับของเก่ามาด้วยนะครับแต่แต่คิ ด, ค, ดคิดดูนะมันก็น่าน่าวางใจจริงๆนะฮะได้โสดาบันแล้วยังไงก็ปิดอบายอะไรเงี้ยไปดีแน่เลยครับครบ <c oughs> แต่เช้าสกจิจฉาติแต่ถ้าเป็นคารวาัตพระองค์ก็ไม่ว่าเลยแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยก็โดนตำหนินะครับแม้กระทั่ง บรรลุอนาคามีแล้วก็มานั่งกระยิมใจยังไงก็สุทาวาสพระองค์ก็ตาหนินะครับพบมันน้อยมันก็ไม่ดีนะครับผมก็ตาหนิพบทั้งหลายแหล่นะครับในสามอย่างนั้นภิกษุชื่อว่ากรมมารามะนะครับเพราะมีการงานเป็นที่มายินดีเพราะต้องเพลิดเพลิน อ, อยู่กับการงานชื่อว่ากรรมารโตเพราะยินดีแล้วในการงานชื่อว่ากรมมารามะตมะนุยุโต เพราะประกอบเนื่องๆคือความขวนขวายยินดียิ่งในงานคือความเพลิดเพลินในงานการงานที่จะต้องกระทําอย่างนี้ชื่อว่าการงานในบทว่ากรรมาราโมนั้นอะ่ะเช่นการทําอุปกรณ์เป็นต้นว่าการตรวจจีวอนการทําจีวอนการซ่อมแซมสลกบาดผ้าอังสะประคดเอวทํามกรกเชิงบาดเนี่ยนะครับกระเบื้องรองเท้าการปัดกวาดการปฏิสังข์ขอสิ่งที่ชํารุดแตกหัก เป็นต้นในพระวิหารจริงอยู่ภิกษุบางรูปเมื่อกระทําสิ่งเหล่านี้ย่อมกระทําสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละตลอดทั้งวันคือคือพอได้ลงมือทําอะไรก็ทําอยู่นั่นแหละครับหมกมุ่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักเวลาที่ควรทําเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยินดีในการงานก็คือยินดีกสํานวนว่าไม่เสร็จไม่เลิกดึกเดินเที่ยงคืนยังไงก็หมกมุ่นอยู่กับการทําอยู่นั่นแหละ บทว่ากรมมาราโมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไม้เอาการงานนั้นนะครับคือทาไม่เลิอกกันนะส่วนภิกษุใดในเวลาทำงานเหล่านี้เท่านั้นจึงจะทำการงานเหล่านี้ในเวลาเรียนอุเทศก็เรียนในเวลาท่องบนก็ท่องบนในเวลาทำวัดคือในเวลาปัดกวาดลานพระเจดีย์เป็นต้นก็กระทำวัดปัดกวาดลานพระเจดีย์ในเวลามณสิการกรรมฐานในสัพพทกะกรรมฐานหรือปาริหาริยะ กรรมฐ า, านก็ไปปฏิบัติแบบนั้นนะครับคือคือแบ่งเวลาถูกว่าเวลานี่ควรทาอย่างนี้เวลานี้ควรทำอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับพิสูน์นั้นหาชื่อว่าเป็นผู้มีการงานเป็นที่มายินดีไม่คือไม่หมกมุ่นในการงานการงานของเธอนั้นย่อมเป็นการกระทำที่พระาศาสดาทรงอนุญาตไว้ทีเดียวโดยนายเป็นต้นว่าก็เธอเป็นผู้ขยันไม่เกียดคร้านในกิรานิกิจน้อยใหญ่ ที่เป็นของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยการใข้ครวนอันเป็นอุบายในกรณีากิจนั้นสามารถเพื่อจะกระทาสามารถเพื่อจะจัดแจงได้ดังนี้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับไม่ทำอะไรเลยก็ทำนะครับแต่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรก็ทำก็พอแต่สมควรนะครับไม่ไปหมกมุ่นคือบางคนเนี่ยนะครับทำงานหมกมุ่นจนถึงขนาดว่าเวลาเจริญกรรมฐานเวลาฟังธรรมเป็นต้นก็เอาแต่เรื่องนั้นะ มาคิดไปหมกมุ่นในเรื่องการงานทั้งหลายเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเวลาสนทนาธรรมเวลาฟังธทมเวลาพิจารณาพระธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยงานที่ทําค้างคาไว้ก็มาหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ในความคิดนะนะสำนวนเรียกว่านั่งเจริญกรรมฐานแต่ก็คิดแต่สร้างกุตินะครับนั่งหลับตาปีใจนี่นะมองดูหูสํารวมเหลือเกินนะครับแต่ว่าออกแบบแปลนกุติเฉยนนะครับในความคิดนะนั่ก็โดยมากนะครับเจ้าว่าทั้งหลายแหล่ส่วนหนึ่งเป็นอย่างงั้นนะครับ บทว่าภาษาราโมความว่าภิกษุใด ย, ยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยสา ม, มารถแห่งการกล่าวถึงราชกถานะครับ พ, พูดถึงพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะครับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามไว้แล้วภิกษุนี้จะเป็นผู้พูดไม่รู้จบเพราะฉะนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าภาษาราโมยินดีในการพูดนะครับพูดมากเลยนะวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยนะครับสำนวนกว่อนหนังสือพิมพ์เนี่ยวิจารทุกทุกคอลัมน์เหมืนกันเถอะนะ เอาข้อความในหนังสือพิมพ์มาสนทนาทุกคอลัมนะลักษณะนี้นะครับมีจบมีสิ้นหรอกส่วนภิกษุใดผู้ธรรมะวิสัชนาปัญหาตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้พูดน้อยพูดมีที่สุดเอาก็าทำไหมอะ่ะก็เทศทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเพราะว่าเธอดำเนินตามวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทีเดียวว่าดูกวามภิกษุทั้งหลาย สำหรับพิสูจนทั้งหลายที่ประชุมกันแล้วมีกิจที่จะต้องกระทำสองอย่างคือกล่าวธรรมหรือนิ่งแบบพระอริยะนะครับคือลักษณะเนี่ยนะเพราะานั้นการกล่าวธรรมนี่ก็ชื่อว่าพูดน้อยนะครับแต่ก็สมจิตที่กล่าวนี่ก็ต้องเป็นกุศลนะครับไม่ใช่พูดด้วยมานะเป็นข้อถกเถียงกันวิวาสเรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่ใช่นะครับหมายความว่าพูดด้วย ศรัทธ า, าพูดแล้วศรัทธาเจริญขึ้นพูดแล้วก่อให้เกิดความเพียรพูดแล้วปรารบส ต, ติให้ส ต, ติตั้งมั่นพูดแล้วจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านพูดแล้วได้ความรู้อัดรู้ธรรมตลอดจนถึงได้ปีติปราโมทย์ได้ความบันเทิงในธรรมเห็นคุณของพระธรรมเป็นต้นนะครับลักษณะ น, นั้นก็ไม่มีโทษอะไรนะครับทีนี้ถ้ายินดีในการนอนนะบทว่านิทารามโมความว่าภิกษุใดฉันจนเต็มท้อง ตามที่ต้องการประกอบเนื่องๆซึ่งความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในการหลับและพิสูตใดเดินก็ดีนั่งก็ดีถูกทีนะมิท่ครอบงําหลับอยู่พิสูจนี้ชื่อว่านิธาราโมยินดีในความหลับนะครับบอกว่ า, ว า, านิ่งก็เป็นหลับเลยนะครับส่วนพิสูตใดมีจิตยังลงสู่ผวังเพราะอาพาธนะครับเช่นความเจ็บไข้ทางกระชากายนนะพิสูจนี้หาชื่อว่านิธาราโม ยินดีในความหลับหม่นะครับก็ดูว่าป่วยไข้หรือเปล่านะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่ออักขิเวสนะก็แลเราตถาคตรู้อยู่ว่าในเดือนท้ายฤดูร้อนเราตถาคตกลับจากบินธบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วปูสังคติให้เป็นสีชั้นแล้วเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับโดยข า, ขาเบื้องขวานะครับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่คือตั้งสติสัมปชัญญะในอุทานสัญญาเอาไว้แล้วนะครับ แล้วก็การ hang, เจริญแล้วก็หลับไปฉั้นเวลาก่อนจะหลับเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับปราสติสัมปชัญญะเช่นกายก็ไม่รู้ว่าอยู่บนเตียงเตียงก็ไม่รู้ว่าอยู่บนพื้นพื้นก็ไม่รู้ว่าอยู่บนดินนะครับดินก็ไม่รู้ว่าอยู่บนน้ําน้ําก็ไม่รู้ว่าอยู่บนลมลมก็ไม่รู้ว่าอยู่บนอากาศนะครับอากาศก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่อุ้มลมอาไว้ลมก็ไม่รู้ว่าอุ้มน้ํำอาไว้น้ําก็ไม่รู้ว่าอุ้มดินมาไว้ดินก็ไม่รู้ว่า อุ้มพื้นเอาไว้พื้นก็ไม่รู้ว่าอุ้มเตียงเอาไว้เตียงก็ไม่รู้ว่าอุ้มกายอันนี้เอาไว้ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันตรึกแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นบนศีรษะเป็นต้นตรึกจนอย่างนี้จนหลับอันนี้เรียกว่าหลับแบบมีสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในใจด้วยว่าจะตื่นเวลาไหนเป็นต้นก็พระสูตรนี้ถึงกาลยาณปุถุชนก็พึงทราบว่าเป็นพระเสขะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าธรรมสามอย่างนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อม แห่งการบรรลุคุณวิเศษของภิกษุกัลยาณปุตุชนแม่ทั้งหมดนะครับและการบรรลุคุณพิเศษสูงๆขึ้นไปของพระเสขานอกนี้ปุตุชนก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนะครับถ้าหากว่าไปยินดีในการงานยินดีในการพูดการคุยยินดีในการหลับเนี่ยนะก็ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงพระเสขาก็ในเป็นพระโสดาบันก็แงกอยู่นั่นนะครับติดอยู่นั่นนะไม่เลื่อนขัน้นเลื่อนตอนอะไรเลยนะครับ พึงทราบการขยายความแห่งธรรมะฝ่ายเขาตามปริยายที่กล่าวนะครับตรงกันข้ามแล้วส่วนในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้มีการงานเป็นที่มายินดียินดีในการคุยชอบหลับและฟุ้งซ่านผู้เช่นนั้นไม่ควรเพื่อบรรุสัมโพธิญาณคืออริยมรรคอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นและภิกษุพึงเป็นผู้มีกิจน้อยเว้นจากความหลับไม่ฟุ้งซ่านภิกษุผู้เช่นนั้นแหละ ควรเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดอธิบายว่านะครับบทว่าอุททโตความว่าฟุ้งซ่านคือไม่สงบเพราะอุทจจะที่ทําให้จิตฟุง้งซ่านอุทจะนี้เกิดร่วมกับจิตกี่ดวงครับสิดวงนั่นแหละนะครับอุทจานี้เป็นสาธารณะอกุศลทั้งหมดนะครับอุทจานั้นเกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะได้หมดเลยแต่พิเศษถ้าจิตที่ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะอย่างอื่นประกอบฟุฟ้งเฉยๆอย่างเดียวก็เป็นอุทะจะสัมปยุตจิตนะครับแต่ปกติแล้วอุทัจะนั้นเป็นสาธารณะเกิดร่วมกับอากุศรจิตทุกดวงบทว่าอัปกิจจรสะความว่าเธอพึงเป็นผู้มีกิจการน้อยเพราะกระทาในเวลาที่ควรควายประกอบกิจมีประการดังกล่าวแล้วเท่าที่ทรงอนุญาตไว้นะครับ บทว่าอัปมิตรโตนะครับหลับน้อยเนี่นะคือผู้เว้นจากความหลับเพราะชาคิริยานุโยกอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันบทว่าอนุทะโตความว่าเป็นผู้ไม่มีการพูดเป็นที่มายินดีชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านคือมีจิตสงบอธิบายว่ามีจิตเป็นสมาธิเพราะเว้นจากความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะมีการพูดคุยเป็นที่มายินดีนะครับ คือฟุ้งเนี่ยนะครับอุทธะจะจะเกิดเพราะอะไรครับเกิดเนื่องจากไปยินดีในการงานเกิดเนื่องจากไปพูดไปคุยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยแห่งความฟุ้งซ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ยินดีในการงานไม่ชอบพูดชอบคุยนะครับไม่ยินดีในความหลับแล้วก็เจริญชาคริยานุโยคเนี่ยนะครับการปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านนะครับ เมื่อไม่ฟุง้งซ่านสัมมาสมาธิก็ดีเมื่อสัมมาสมาธิดียถาภูตยา น, นัศนะก็จะเกิดขึ้นนะครับรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงก็เป็นอุปนิสัยแห่งนิพพทาความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดคือการบรรลุอริยมรรคแล้วก็วิมุตต์นะครับหรือวิมุตติยา น, นัศนะคือปัจเจเวขนะยานก็จะเกิดขึ้นได้โดยลําดับนะครับก่อนอนุญาตครับอา่า แม้กระทั่งพระเสขะนะครับถ้าทำตัวอย่างนี้ยังถูกตำหนินะครับมาจำต้องจะต้องกล่าวไปยายถึงพระเรา ท, ทั่วไปนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์บอกด้วยว่าสาัพพะตกกรรมฐานเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างฮะก็มีหลายไหนนะครับสัพพะตกกรรมฐานเท่าที่พบนี้ถ้าตามวิสุทธิมรรคก็แสดงไว้สองอย่างคือเมตตากับมรณนานุส ต, ตินะครับ แต่ที่อื่นก็คือเพิ่มพุทธานุสติกับเมตตาด้วยนะครับพุทธานุสติกัสุภะด้วยครับพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณะนะครับ4อย่างนี้บางแห่งนะครับอัตถะาบางแห่งว่านี่คือสัพพทักกะประมาทบางแห่งก็โดยเฉพาะในวิสุทธิมรรคก็นเน้น2 อ, อย่างคือมรณานุสติกับเมตตานะครับ จำง่ายๆก็พุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณสตินะครับมีสี่อย่างนี่นะครับเรียกว่าสัพพะธกะกรรมฐา น, านก็เอาใหม่นะครับพุทธานุสติเมตตาจะอสุพังมรณสตินะครับ